พระบัญญัติ567ก็ภิกษุผู้ใช้ใทําสันทัดรองนั่งพึงเอาสันทัดเก่าหนึ่งคืบสุขตสสสคขตโดยรอบมาปนเพื่อทําให้เสียสีทําแอาสันทัดเก่าหนึ่งคืบสุขคตโดยรอบมาปนใช้ทําสันทัดรองนั่งใหม่ต้องอบัตินิสักคียาาจิตตีเรื่องพระอุปเสณนวังคันตบุตรจบ